ยอมจะทำให้ดุ่มเยิงอย่างน้อยก็จุมเยิงวบุนไวเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันยินมีรายที่ขวางหมู่เพื่อนหรือวงคณะเข้ามาแทรกด้วยแล้วก็กระเทือนกันหมดทั้งวัดจึงต้องระมาัดระวังเหล่านี้เป็นเรื่องอะไร ถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสซึ่งเคยเป็นคาสิสต่อธรรมและต่อตัวเองมานานแล้วถ้ายังเห็นตัวว่าดีอยู่ในขณะเดียวกันก็ต้องเหยียบย่ำหมู่เพื่อนเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันลงไปโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกก็มีเพราะความเข้าใจว่าตัวดิบตัวดีตัวเฉลียวฉลาดกว่าเพื่อนกว่าเพื่อนฝูงนั้น มันปิดบังไว้หมดนี่แหละกิเลสปิดบังหัวใจของผู้ปฏิบัติหรือของโลกเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่ทราบก็ให้ทราบเสียวันนี้หละคือกิเลสตัวเป็นภัยต่อความสงบสุขทั้งส่วนย่อยและส่วนรวมส่วนใหญ่เรียนให้เห็นเรียนให้เจอสิ่งที่เป็นภัยซึ่งมีอยู่กับหัวใจของทุกคน มีความเกี่ยวเนื่องกันมากน้อยสิ่งที่เป็นภายในย่อมระบาดศาสตร์กระจายออกไปให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายและสั่มและสายไปตามๆกันตามกำลังของสิ่งชั่วช้าลามกหรือสิ่งเป็นภัยนี้มีกำลังมากน้อยที่แสดงออกไปในวงปฏิบัติของพระจึงไม่ควรให้มีอย่างยิ่ง สิ่งที่เป็นภัยรู้อยู่แล้วมาต่างองต่างมาชำลนะพิษภัยภายในจิตใจของตนให้ดูจิตใจตนอื่นตนก่อนอื่นอย่าดูสิ่งใดว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีนอกไปจากผู้ที่คึกขนองอันเป็นตัวกิเลสนี้เป็นผู้ปรุงออกไปว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีตัวผู้ปรุงนั่นแลตัวคึกตัวขนองตัวเลว ร้ายที่สุดอยู่ไม่เป็นสุขหาเรื่องหาลาใส่เรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไม่ย้อนดูจิตด้วยสติปัญญาก็ชื่อว่าปล่อยให้พิษร้ายอันนี้มันสสแสดงฤทธิ์สแสดงอำนาจอยู่ภายในตัวตลอดเวลา <c oughs> แล้วมรรคนิพพานจะหวังเอาอะไรที่ไหน เมื่อมีแต่สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตาอยู่ทุกอาการที่เคลื่อนไหวของปิดและของกายวาจาพระมาจำนวนมากวี่ตั้งใจศึกษานะจริงจริงก็มีมาเก้งๆก่งกางกางให้ขัดหูขัดตาขัดวงคณะมันก็มีมาแบบบวช ด, ดิบบวช ด, ดีบวชรู้บวชฉลาด ท, ทั้งทั้งที่โง่เต็มตัวมันก็มี ความอวดดีนั่นแหละคือความโง่ตามหลักธรรมความพิจารณาสอดส่องดูตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือความฉลาดเริ่มเป็นรากเป็นฐานก่อตั้งความฉลาดขึ้นมาด้วยวิธีการพิจารณาสอดส่องตัวเองอย่างนี้แม้ <c oughs> ใช่ความฉลาดจะเกิดขึ้นเพราะความสังขารมั่นหมาย ความคิดตำหนิจิ่งนั้นชมสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมาแล้วประจําหัวใจไม่เว้นแต่ละดวงเป็นอย่างนั้นนั่นหาความฉลาดไม่ได้ว่านเอาฟืนเอาไฟเพราะความโง่ของตัวที่สําคัญว่าฉลาดนั่นแหละเข้ามาเผาตนถึงหาอาัธหาธรรมคือความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะตัวนี้ตัวคือตัวขนองไม่ได้ถูกบัทอนลงบ้างเลยมีแต่การเสริมไปคล้อยไปตาม โดยเจ้าตัวไม่รู้ยังเธินหรือภูมิใจในความคิดความรู้ของตนเข้าใจว่าชนาะาไปซะอีกนั่นยิ่งโง่หนักเข้าไปผู้ปฏิบัติให้คิดให้ขุดให้ค้นลงตรงนี้ถ้าอยากจะเป็นผู้าลนดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆและเป็นาลนดอันเป็นสมบัติของตนโดยแท้จริงแล้วให้ค้นลงที่นี้อย่าประคิดอะไรกับผู้อื่นผู้ใดมากยิ่งกว่าคิดถึงเรื่องของตัวเอง เพราะการสร้างเรื่องสร้างขึ้นที่ใจตัวเองไม่ได้สร้างขึ้นจากผู้อื่นผู้ใดตอนอื่นมีมากเท่าเท่าไรมันยิ่งเลอะเอะเถอะเอะนะผู้ปกครองอกจะแตกปูถีเป็นอัดเป็นธรรมซึ่งอยู่ร่วมกันก็จะเป็นจะตายไปด้วยเพราะมานอันนั้นแหละ มันขัดมันขวางมันทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวล า, าพากันคิดมาศึกษาดูให้ดีตามีหูมีฟังให้ถนัดชัดเจนด้วยความจดจอ่อมีสติปัญญาเป็น เนื่องพิสูจน์จากการได้ยินได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นมาอยู่เฉยๆมันก็นไม่ได้เรื่องอะไรจิตหาความสงบไห่ได้กับพ่อความคึกขนองของจิตไม่มองดูจุดนี้เป็นสาคัญมันคึกขนองอยู่ตลอดเวลาเพราะเราบวชบวชจะ น่างกายโนผมโอนที่นุ่งเหลืองที่เลสมันไม่ได้บวชมันเคยเป็นค่าสึกต่อทําอยู่แล้วพนับวชมันก็นยังเป็นค่าสึกและเป็นค่าสึกตลอดไปถ้าแก้หรือปราบปรามมันไม่ได้เราย่าภูมิใจในการบวชของเราเพียงเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรกิเลสไม่ได้ถลอ ก, กปล่อยออกไปสักนิดหนึ่งเพียงยินดีในการบวชของตนถ้าไม่ หากไม่ถางกิเลสไม่ฟาดฟันกิเลสลงไปมาลายไหนก็ตามาเข้ามามาันจะขวางตาจนได้ขวางหูจนได้นะ่ะมีมากมีน้อยอผสมประสิกันเข้าปลายใหญ่เงินมีตั้งแต่คำว่ า, าพระเต็มวัด คำว่าการชำระหรือการฆ่ากิเลสให้เบาบางพนาจิตใจจะไม่ปรากฏแล้วเพราะมันวุ่นวายทันใดมันมีมากเท่าไหรก่ก็ยิ่งยุ่งมากวุ่นมากบินทมาตต่างคนต่างดูหัวใจตัวเองบินธบาตเพื่ออะไรท่านบอกว่าบินธมาตเป็นวัดวัดของการบินธบตัตคืออะไรก็คือการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสาศสตร์สังคีตใจของตอนไปโดยลำดับ ทั้งไปทั้งกลับวิยาบทใดก็ตามมีหน้าที่ที่จะทํางานของตนอย่างนั้นโดยสม่ําเสมอจึงชื่อว่าเป็นวัดเป็นความเพียรเราแต่ชื่อมาพูดว่าความเพียรตั้งสุขระก็ได้ตั้งชื่อไม่เกิดประโยชน์วิเลศหัวเรอบาปากฐานแนะนำสั่งสอนหมูอเพื่อนมานี่ก่อนนานแล้วควรที่จะรับผลประโยชน์อะไรบ้าง จากการได้ยินฟังแล้วประนํานําไปปฏิบัติดัดแต่งแก้ไขตัวเองอย่างไรพอให้เห็นเหตุผลขึ้นมาภายใ น, ในใ จ, จิตใจอันเป็นสมบัติของตนบ้างจะไม่ปรากฏข้าวอาจะเป็นดังที่เป็นอยู่นี้ขี้เหลเดียวศาสนาเดียวแหลมเดียวแหลมที่ไหนไม่เดียวแหลมที่จิตถูกขี้เหลวมันรีบลงไปจนเดียวแหลมจนต้องมีศาสนาติดพัน์จิตใจ เราอยังภาคภูมิในเพศของเรารอ <c oughs> ยู่เลยวิเดียร์ไม่มีแต่ต่อยมันไม่ได้คุยอะ่ะอืมภูปฏิบัติธรรมมีแต่คุยพ้ามผ้มวิเดียรไม่คุยแ ต, ตย่ต่อยเอาต่อยเอางายหลงงายหลงยังไม่รู้เรียนให้ถึงถึงวิเดียรเราจะได้ทราบว่าวิเดียมันละเอียดละออนขนาดไหนมีความแยบคายเพียงไรมันจึงได้ครอบหังใจของสารโลก การไปกันมารู้สึกว่ายุ่งมากวัดป่าบรรตาบเวลานี้ไม่ทราบว่าองค์ไหนเข้าองค์ไหนออกหลังลายกันไปหลังลายกันมาวันนี้ส่งองค์นี้วันหน้าส่งองค์นั้นวันนี้ส่งองค์นั้นส่งองค์นี้ยุ่งไปหมดเลยมาคอยมาส่งมาเสียกันมันเป็นยังไงกรรมฐานเราทั้งเป็นอย่างนั้นส่งไปโน้นแล้วส่งไปนี้ขาไม่มีเหรอ นีขาตั้งแต่พระพุทธเจ้าแล้วสาวกพระครั้งพุทธการเลยทุกวันนี้เป็นพระ ข, า, ขาด้วนไปหมดแล้วเหรอมันถึงได้ตามส่งตามเสียกันนั่งหนาเพื่อความสะดวกสบายแล้วให้ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ต, ต่อวัดต่อว่าแก่และต่อประชาชนผู้คอยรอคอยรับส่งเสียมันได้เรื่องอะไร นี่เรานี้มันเป็นหน้าสลุดสองเวททั้งนั้นเน่ยหยิตจะสงบยังนิดหนึ่งก็ไม่มีภาวานาอะไรมันถึงเมื่อสงบตั้งหน้าตั้งตาทําอยู่ทุกวันงานอันนี้ทําอยู่ทุกวันทําไมมันไม่เห็นผลถ้าตั้งใจทําแบบจริงจริงจังๆตั้งหน้าตั้งตาทํำจริงๆสมกับงานนี้เป็นงานจําเป็นของตัวนายแทย มันต้องปรากฏผลดังน้อยความสงบเงย็นใจต้องมีเท่าที่จิตหาความสงบไม่ได้เราเห็นโทษของมันไห ม, ไมว่าอะไรที่เป็นเครื่องจีดขวางอยู่เวลานั้นทำไมชาติเกศจะเป็นเรื่องอะไรทำแล้วไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่รำ่าน ต้องสงบเย็นต้องฉลาดในการปลดเครื่องตนเองจากอารมณ์ของตัวนั่นแหละที่เกล็ดก่อขึ้นมาตั้งขึ้นมาต้องมีทางลบดีกิบตัวกันจนได้ถ้าผู้ตั้งใจปฏิบัตินี่นี้จะชื่อพระกรรมาฐานหน้าสลดสังเวตจะตายไป เกระเทศเอาอยัางหมดน้ำหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยโดยความตั้งอกตั้งใจอยากให้หมู่คณะได้รู้ได้เห็นทั้งโทษทั้งคุณทเทศอย่างถึงใจทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นกำลังใจปรพคฤงปฏิบัติแล้วทำไมจิตใจมันถึงทะเลทลายอยู่อย่างนั้นมันไม่จุดไม่จ้องไม่จับให้ติด เกาะไม่ติดพลาดนู่นพลาดนี้ทะเลถลายไปเลยไม่ได้เรื่องได้เล่าวันนี้กับวันนี้วันหน้าก็มืดแจ้งเท่านั้นเองยีเรศไม่เคยพี่คลายออกจากจิตใจเลยแล้วเราจะหวังเอามาขุนนิพพานที่ไหนอยู่กม็มีความหวังไปก็มีความหวังเอียบท่างๆหาความหวังพานตนไม่ได้หาที่ยึดไม่ได้เราหวังพึ่งอะไร ปัจจัยทั้งสีก็เคยพูดแล้วเพียงแต่เป็นเครื่องอาศัยชั่วระยะคางเท่านั้นที่อยู่ที่อาศัยกุฏิบ้านเรือนเพียงอาศัยเวลาชีวิตยังมีอยู่เท่านั้นอาหารการบริโภคเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็อยู่ในการนี้เวลานี้เท่านั้นพอร่างมันสลายลงไปเพราะหมดสภาพหมดกําลังของมันแล้วจิตพึ่งอะไร เวลานี้เราจะสร้างที่พึ่นของจิตให้เป็นที่อุ่นหนาฟ้าข้างให้เป็นที่แน่นหนามั่นคงเป็นความเฉลียวฉลาดอย่างนี้สร้างไม่ได้อยู่แล้วจะทํำยังไงหาที่เอาอุ่นภานตัวไม่ได้จะไปหวังเอาความอุ่นจากที่ไหนอดีตอนาคตก็ดูกับปัจจุบันเป็นหลักสําคัญ ถ้าสร้างปจัจจุหลักปัจจุบันไม่ดีแล้วอะไรก็เลวไปทั้งนั้นเนี่ยอนาคตมันจะยืดยาขนาดไหนก็ยืดยาไปด้วยความทุกข์ความลําบากดังจิตที่แบกหามกองทุกข์และสาเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวพิษต่อภัยได้เกิดขึ้นเด็ดดูเวลานี้เลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศสถานที่นั้นๆมันก็เป็นสถานที่นั้นไม่ใช่จะ สิ่งที่มาปดเปื้องทุกออกจากจิตใจเพราะกิเลสสร้างขึ้นนี้ให้เราได้เราต้องเปื้องสิ่งที่มันสร้างขึ้นตดแก้สิ่งที่มันสร้างขึ้นปราบปรามทําลายสิ่งที่มันสร้างขึ้นแล้วทุกขก็จะดับไปดับไปถ้าไม่มีผู้สร้างทุก ข, ขึ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่ ง, วนนงเวลามันยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นเป็นยังไงการปฏิบัติตร ไม่มีงานอะไรพยายามที่สุดที่จะหมุ่งมุนงใ้รับความสะดวกในการประกอบความภาคเทียนแต่มันทําไมไม่เห็นผลยิ่งจะปล่อยให้ทํางานนั้นงานนี้แล้วมันเท่านั้นแหละจมไปเลยพยายามระมัดระวังรักษาที่สุดอย่างตอนเป็นเย็นวันนี้เขากำลังมนีมลไปถันใ่บ้านของเขาเราก็ไม่ยอมให้ ให้พระเพราะเรารักษาพระออกไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งภายนอกมีแต่เรื่องขาดทุนศูนย์ดอกประเดิมน่ะไม่ใช่เรื่องที่จะทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่จิตใจของพระผู้จะทำประโยชน์ทั้งตัวเองและแก่โลกทั่ ว, วไปนาทีของเราผู้เป็นหัวหน้าแพยายามคิดเต็มส ต, ติกำลังความสามารถ เพื่อเป็นผลประโยชน์และความสะดวกแก่หมู่เพื่อนเราไม่เคยลดละล้วฟูที่มาอาศัยทำไมจึงไม่เกิดประโยชน์บ้างตามเจตนาที่มุ่งมุ่หวังให้หมู่เพื่อนได้รับประโยชน์เพราะการประกอบหน้าที่การงานของตนด้วยความสะดวกไม่มีอะไรมายุ่งกวน แ, แทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ทำไมมันจึงไม่ปรากฏสัจธรรม แบกกันอยู่ทุกวันนี่แบกอะไรท้าไม่แช่แบกแตะจะทรมีกายมีจิตเท่านั้นอยากได้ยินได้ฟังหมู่เพื่ อ, น, อนเล่าเรื่องอัดเรื่องทำให้ฟังผลแห่งการปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นก็พอจะมีแก่ใจเพื่อไงที่แก่ให้ ทราบแล้วเป็นการวางใจและทางที่ถูกต้องแบ่ผู้มาศึกษาและผู้เล่าให้ฟังมันมันไม่ได้เรื่องใดๆอะไรอยู่กันไปดูด้วยขาตม้มขนมอาหารหวานข้าวดูด้วยความฟุงฟ้งเฟ้อเหแบบโลกๆนั่นก็เป็นโลกทั้งหมดเลยนั่นเป็นธรรมที่ไหนธรรมแท้ไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้ธรรมแท้ต้องอยู่กับธรรมวิริยะธรรม ขานติธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่ที่ธรรมจะเกิดจะมีนีที่ตรงนี้ไม่ได้มีเพราะสิ่งเหล่านั้นยังไม่ควรไปฟุง้งเฟ้อเหิมไปภูมิใจกับสิ่งเหล่านั้นตายใจนอนใจกับสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะทำตนให้จมลงไปเท่านั้นท้งหน้าทั้งตาปฏิบัติดตว เราจมในนรกทั้งเป็นภายในหัวใจนี่ยังไม่ทราบแล้วจะไปทราบที่ไหนดูลงไปที่ใจนั้นอ่ะมันจะเห็นเรื่องราวอันเป็นฟืนเป็นไฟเผารนอยู่ตลอดเวลาเขาที่เด็กไม่ผัดผู้ใดให้ร่มเย็นนี่จะพาให้รอนจอลงไปตรงนั้นมันก็รู้ยังความขัดขวางกันเล็กๆน้อยๆก็ว่าเป็นความลําบากระบวนไปเสียนี่ที่ยังดิ บุกเบิกเพิกถอนไม่ได้ในสิ่งที่มันปิดบังหุ่มห่อภายในใจลมก็ถูกมันค้อบไปตลอบเวลาจิตสงบเป็นยังไงความสงบกับความเย็นของจิตมันก็อยู่ด้วยกันจิตไม่สงบมันรู้อยู่ทุกคนเพราะสาเหตุอันใดมันถึงไม่สงบ พยายามทากิตให้สงบด้วยความอุตสาหพยายามของตนทำไมมันทำไม่ได้การบังคับสติให้บังคับงานการตั้งสติเพื่อบังคับงานกี่จะให้ผลเกิดขึ้นมาตามระดับจำดานั้นท ำ, ทำไมจึงจะทนทุกข์ไม่ได้เพียงการตั้งสติเฉยเวลาเราแบกทุกข์เพราะกิเลสมันสร้างขึ้นมาทำไมเราแบกได้หามได้แบกได้จนตาย พิจารณาสการจะแบกทุกข์เพราะการประกอบความเพียรที่จะปราบกิเลสซึ่งเป็นตัวทุกข์สําคัญออกทําไมมันมันไม่ยอมรับจิตมันเป็นพ้อยอะไรก็เพราะมันสู้อุบายของกิเลสทวามกระซิบกระซาบการเชื่งสั่งของกิเลสไม่ได้นั่นเองมันจึงเป็นความเพียรขึ้นมาไม่ได้มันมีแต่ชื่อ ต, ตั้งใจ ฟาดกันจริงๆแล้วมันต้องรู้ไม่ไปอื่นไม่เป็นอื่นเพราะทมนี้ตัดไว้ชอบแล้วมา 2,500 ปีเฉพาะาศาสด า, าองค์ของปัจจุบันของเราไม่มีผิดเพียนไปไหนเลยกรงแนวต่อความจริงปัญญาก็มันทิดไม่ได้กลัวแต่ทุก มันเด็ดไม่ได้ีมันทึงไม่เห็นความแปรประลาดไม่เห็นกำลังของตัวเองเมื่อเมื่อปรากฏกํกำลังตัวเองพอที่จะต่อสู้กับพิเลสได้แล้วมันจะมีความกล้าหาญในการต่อสู้กับพิเรสได้อย่างไรมันควรที่จะขุดจักคน้นจักทิพแพงแต่งแตล ง, ล ง, ล ง, ลงหาความสุขความทุกข์ ความลำบากตําบ่นด้วยเหตุด้วยผลเพราะความเพียร น, นี้ไปบ้างผู้ปฏิบัติเหล่าความอยู่มาอยู่มาสุขมาทุกมาดังที่เป็นมานี้มันก็ไม่ผิดอะไรกับโลกสุขให้สุขแปลกโลกเพราะให้ทุกแปลกโลก น, ะ, นเกะเอาจนกรอกให้มันจนแปลกโลกเขาเวล่รรอดตัวออกมาก็าให้มัน เห็นความแปลกจากโลกเขามั่งสิมันถึงจะมีความแปลกโลกเขาไม่งั้นก็เหมือนโลกทั่วไปถึงเขาวจะต่อสู้ก็เอาให้เห็นเหตุยห็นผลเอาทายเป็นเดิมพันสติปัญญาไม่ถอยในขณะที่จนอตอกเนมุมด้วยความทุกข์ความลำบากประการไหนก็าตามขุดค้นกันลงไปเราที่เกิดอธิบายให้ฟังแล้วล้วนตั้งแต ได้รับผลมาแล้วทั้งนั้นไม่ใช่มาพูดเฉยๆโดยทางเหตุแล้วผลไม่ปรากฏมันต้องมีหนักมีเบาบ้างนะักปฏิบัติมันถึงจะเห็นความเล่นรับของกิเลสและธรรมปรากฏขึ้นในตัวแล้วพอจะชั่วเชื่อตัวเองความสามารถของตัเองได้บ้างและได้โดยลําดับจนกระทั่งถึงเชื่อความสามารถตไไรนถววาาถตได้เต็มที่ไม่ยอมแพ้เรื่องกิเลส เมื่อมีกําลังพายใจิตใจแล้วมันไม่ยอมแหละมันถึงขั้นจะสู้กันให้ตายนะคือคือเชื่อความสามารถของตัวเองนั่นแหละมันถึงไม่ยอมไม่ยอมแพ้จะเอาให้ชนะท่าเดียวเอาให้ราบท่าเดียวที่เด็ดจะมาเราเอาเราให้ราบเอาราบเธอะถ้าลงยังมีชีวิตอยู่นี้จะราบไปไม่ได้นอกจากที่เด็ดราบอย่างเดียวเท่านั้นแต่ก่อนนั้นเป็นได้เมื่อไรจ้ แต่เวลามันฝึกฝนอบรมเข้าไปมีความธรรมเนียมํานาญเข้าไปบังคับเข้าไปด้วยเหตุด้วยผลผลก็ปรากฏขึ้นมาอย่างนั้นความอยู่ใต้อํานาจของกิเลสกับความหลุดพ้นจากกิเลสมันต่างกันอย่างไรมันในได้เห็นในตัวของเราเนี่ยความอยู่ต้อำนาของกิเลสก็อยู่แล้ว ด้วยกันไม่สงสัยความหลุดพ้นจากทิเลสยังไม่ปรากฏก็มันเห็นเลยแนวทางมีอยู่สาตราอาวุธคือธรรมประเภทต่างๆที่ะปะหาทหารทิเลสมีอยู่กําลังมังช้างเราก็ไม่ใช่คนอาภัพเพรพอที่จะไม่มีกําลังวังชาต่อสู้กับมันให้เห็นเลย จิตดวงนี้แหละขนาดที่อยู่ใต้หน้าของกิเลสกับที่ผ่านพ้นจากกิเลสไปโดยชิดถึงแล้วจะต่างกันอย่างไรถราไม่ต้องถามไข่จะเห็นได้อย่างชัดเจนภายในใจปกติไม่ว่าอียบทตใดขณะใดเป็นเรื่องที่อยู่ใต้หน้าของกิเลสทั้งหมด มีผลอย่างไรบ้างเราก็ทราบอยู่แล้วแล้เอาให้ในหลุดพ้นจากสิ่งนี้ด้วยความเพียรของเราของวีระบุรุษบุรุษผู้ฆ่าตายในสงครามระหว่างีิเลศกับถังด้วยกับจิตต้องไม่พบได้เจอกันวันหนึ่งถ้ามีความแข็งไม่อ่อนแอทอดแท้เลวไหลไปเสียอย่างเดียวทท้านั้น แตามที่รบ ก, ก็อยู่ในวงกายกับจิตนี้บางคับโดยที่จิตมันจะไปไหนไม่ให้มันออกไปจากกายครับจิตนี้บางคับธรรมดาไม่ได้กับบางคับเวลามันเกิดทุกข์เอาหามันจนเจอมันจะได้อุบายด้วยวิธีใดได้ในระหว่างกายกับจิตนี่แหละไม่ได้ที่อื่พอทุกข์กับสมุเมทัยก็อยู่ที่นี่นักห้ามหันกันลงที่นี่ นิโรธความดับทุกข์จะม่ปรากฏได้ยางไรผลเคยปรากฏเพราะวิธีการใดเราก็จำเอาไว้นำมาใช้เสมอเวลาที่จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาอ้าพีกิกายจึงเรียกว่าผู้หาความฉลาดไม่งั้นไม่ทัน คนมายาของกิเลสเอาให้ทันด้วยวุบาพลิกแปลงองสิปัญญาซึ่งเป็นธรรมชาติที่เคยเหนือกิเลสอยู่แล้วเอาให้เหนือนํามาใช้ให้เหนือกิเลสมันราบไปจา ก, กจิตใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะพ้นแล้วจากโทษทั้งหมวลจากทุกข์ทั้งมวล ยงขันกระดูกกระดิกอยู่ตามสภาพของมันมันผิดแปกอะไรต่างหางจิ้งเหลนขาดถึงวาละของมันมันก็สลายลงไปก็รท่านั้นรู้รอบขอบคิดมันเหมือนแล้ววิตกวิจารณ์อะไรกับดินน้ํำลมไฟเท่านี้มันเป็นของกระเสือดไอสิ่งอันนี้นมันมีอยู่ทั่วไปน้ําก็ตามที่ไหนอืู่ในท้องหนออ ย, ย่างมีตามท้องนานตามหนองตําบึงมีพิเศษอะไร ดินก็เหยียบกันมาอยู่นันนี้เสอยใจลมลมหายใจก็มีลมข้างนอกก็มีไฟก็มองเห็นนั่นมันไม่เสียอายพอที่จะหลงกันทั้งหนาเมื่อเวลามันเข้ามาเป็นก้อนนี้มันตื่นได้ก้อนนี้ก็เป็นวิบากของกิเลสที่มันปั้นขึ้นมาดั้นจะมาหลงก้อนของกิเลสอีกก้อนวิบากที่มันปั้นขึ้นมาอีกแล้วเราจะรู้ทําได้อย่างไร ที่คาก้อนของยีเดียที่มันตั้นขึ้นมาด้วยความจําปอนนี้ที่เห็นตามหลักความจริงนขุดลงไปนังหอกระดูกมันผิดที่ตรงไหนดูที่นังหอกระดูกเนี่ย ท, ทํากันว่าอแต่ว่าจัด ว, ว่าบุคคลว่าเราว่าเขาว่าคนของเสื อ, อ ง, ง่ะไม่งามที่ไหนมันค้านกับทำมัาานทั้งคำ แล้วยังเฝืนไปเชื่อสิ่งที่มันข้ามต่อธรรมสิ่งที่จอมปลองอย่างนั้นเราจะหาความจริงมาจากที่ไหนหนังใครมันก็เหมือนกันไม่ว่าหนังหญิงหนังชายมันหน้าหลงหน้ารักที่ตรงไหนหนังรู้กันอยู่ล้ให้ชื่อพระ อ, อย่างนั้นความสัมผัสสัมพันธ์ก็เราก็สัมผัสสัมพันธ์กับหนังเราอยู่ตอลอดเวลา วิเศษวิสูเอ่ยหนังนั้นก็สัมผัสสัมพ well, ันธ์กันอยู่ตลอดเวลาในของแต่ละคนและสัตว์หนึ่งแล้วก็มาสัมผัสสัมพันธ์กันเพื่อเอาความวิเศษอะไรหนังสัมผัสสัมพันธ์หนังเอาวิเศษมาจากไหนถ้าอยากวิเศษทามันเป็นวิเศษจริงก็สัมผัสสัมพันธ์หนังเรามันก็วิเศษขึ้นมาแล้วนั่งคนอื่นก็เหมือนกันเขาก็สัมผัสสัมพันธ์ของเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สัมผัสสัมพันธ์กับของเราทั้งกันหนังต่อหนังวิเศษตรงไหน แล้วยิ่งเข้าไปเนื้อเองก็ดูนั่นินดูไม่ได้เลยนี่ความจริงเปิดออกม า, งงาให้เห็นนี่สติปัญญามีอยู่ขนลงไปจะมันเห็นย่างลงไปจาะลงไปพิจารณาไปไม่ให้มันไปตอกปันเีฉดอนเอาอีกต่อไปอีกย่างที่มันเคยเป็นมาแล้วมาเป็นสัตว์ว่าเป็นบุคคลเอาลงไปตามความจริงที่มันมีอยู่จริงอยู่นี่ขุดแล้วขุดเล่าอย่างนั้น จนความจริงนี่ปรากฏเด่นขึ้นมาภายในใจความปลอมมันกระจางไปจางไปจนกระทั่งหมดสิ้นไปเราจึงรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ความจําปลอมจำปลอมมันลบได้ความจริงลบไปได้เป็นหรเพียาเราไม่รู้ที่ขั้นที่จะพิจารณาอย่างนี้กับพิจารณาจะมาเรื่องพิจารณาเรื่องทุก เรามันจนกรอบจนมุมเรื่องความทุกข์บีบคั้นเกิดความทุกข์ลาบากในธาตุในขันจะเป็นจะตายเอาอะไรตายดูว่ามันเห็นความตายจริงอะไรมันตายหิตผู้ติดพัวตายมันตายไหนโค้นกันลงหเห็นธัดุจริไม่มีอะไรตายมีแต่ความหลอกอนั่นหลอกเจ้าของให้ ตกตกใจให้กลัวเป็นกลัวตายตื่นลมตื่นแล้งของกิเลสมันหล่อทบเวลาพิจารณาเขาไปจริงก็สักแต่ว่าเท่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนได้กายก็าบอพูดถึงขั้น ก, กายก็สักแต่ว่ากายหลังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันก็มียิ่งขึ้นมาอยู่อย่างนัน้นแต่ทุกยังไม่เกิดทุกดับไปแล้วมันก็มีขมึ้นมาเหนียง ใจซึ่เป็นตัวรู้รมันก็ลู้ ม, มันเป็นทีเพียงมันหลงอหน้าของสิ่งที่หลอกมันเองเวลาพิจารณาคอยจริงก็ต่างอันต่างจริงเนี่ยถ้าแยกประทางความจริงอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเสีย แ, แยกประทานไรลักษณ์จังทุกข์ของามมันก็รอบตัวอยู่แล้วทุกคนเต็มตัวอยู่แล้วทุกคนไม่มีอะไรบกพ ร, ร่องในไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ทํ า, าไมไม่ดีนาเปิดดวงเห็นได้ จะได้ต่อยได้วางลงผูกหลักความจริงแล้วจะสบายหายห่วงกันความห่วงความหวงก็คือภาระผูกพันกดท่วงรับความทุกข์ความลำบากทายเดียวเท่านั้นหาความถูกจากความห่วงความหวงเหล่านี้ไม่มีเลยทําไมจึงฟืนห่วงฝืนหวงฟืนแบบฟืนหามถ้าว่าเราเป็นผู้ฉลาดหาความฉลาดทําไมจึงต้องไปแบบไปหามในสิ่งนี้ ตื่นเงาของกิเลสหลอกหอนา้าผู้อยู่หนาถึงความจริงนะมันจะไปหลงอะไรจะไปยึดอะไรต่างอันต่างจริงหนก็สบายเนี่ยนี่ทางเดินแล้วผลก็ปรากฏขึ้นตามสาเหตุนี่แะนี่เป็นเป็นเหตุเราพิจารณารู้อย่างนี้ความปล่อยออกมาแล้วอยู่สบายหายกังวลก็เป็นผล มำกตั้งอกตั้งใจมาเาึื่ปฏิบัติยาให้นักอกนักใจเดีย๋ยวจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนะอยู่เฉยๆสักวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เกิดประโยชน์อะไรอย่าไปคิดกับสิ่งใดๆในโลกนี้ว่าวิเศษกว่าธรรมอย่าไปตื่นเต้นนั่นหละเรื่องของยิเงให้รู้ ม, มันหลอกอางนั้นแหละหลอกอันนั้นจะดีอันนี้จะดีตื่นในสิ่งนั้นตื่นในสิ่งนี้ตื่นยิ่งมาอยู่ไ ม, ม, ม่ถอยก็คือมนุษย์เรารู้จริงๆแล้วมันไม่ตื่นอะไรัก็ไม่ตื่นรวมสรุปความแล้วขึ้นชั่วสมุดสามแดนโลกธาตุก็เป็นสามแดนโลกธาตุตามความจริงของเขาเง่้ยแหละจิต ก, ก็เป็นจิตรุนรู้ลนล้วน ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออะไรจะมาติดจิตอะไรจะมากดทวงจิตเมื่อจิตไม่ไะแบบไปหามเท่เองเท่านั้นเล้ออะไรจะสบายยิ่งกว่าจิตที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างโดยสมบูรณ์แล้วตรงนี้เท่านี้ในสามแดนโลกธรรมนี้มารวมอยู่ที่จิตผู้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงดังนี้ฉะนั้นเป็นความพิเศษเหนือจริงใดใด นี่ยเขยังไม่ได้พูดหรอใครมายังไงไปยังไงมายังไงเพราะสุขภาพแล้วก็ไม่ดี น, น, น้ำพาระเกาะมากวันหนึ่งวันหนึ่งเกี่ยวข้องกันหนึ่งงั้นกับโรคจะทำยังไงหาเวลาเป็นตัวของตัวแทบไม่มีไม่งานหนึ่งก็ต้งงานหนึ่งประจําตัวอยู่อย่างนั้นหมู่เพื่อนก็ปล่อยให้พอนาตั้งหน้าตั้งตาพอนา อะไรจะงานสําคัญยิ่งของงานภาวนาดูจิตเจ้าของมันคิดไปไหนอย่าดูรอบรูนออกนอกรูนอกทางอย่าคาดอย่าหมายไปเป็นเรื่องของยิ่เด็ดทั้งมวลเราเคยมาพอแล้วกับเรื่องของยิ่เด็ดนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพยายามฝึกฝนรวมจิตใจของเราให้ซึมซาบในอดในธรรมเพื่อเข้าสู่ความจริงโดยลําดาับลาดัานั่นนั่นมีความสุขกอนสมาทางด้านจิตใจซึ่งผิดกับความสุขในด้านใดทั้งนั้น วันนี้เหนื่อยท่านปัญญาอธิบายหน่อยก่อนไม่ตึงแรงถึงันาดร่างม่อยู่มันอยู่มันถึงว่ามันอยู่ตึงแรงถึวาปล่อยไปได้ถ้าไม่ปล่อยก็อยู่ได้เพระมะนั้นมันมันจะเห็นได้ถ้าธรรมดามันไปนานน่หละโลกของผมนี่นะตอนนี้มันต้องจิตของเรา เราพูดตามความจริงจิตขงเรามันไม่ ม, ไ ม, มันไม่อมํานวยโรคกว่านั้นเปนไม่เสริมเป็นหงุดหงิดด้วยความกลัวเป็นควาตามนเป็นเรื่องสมงั้นนะแล้วเสียโอกาใจว่ายิ่งป่าใหญ่นะจิตของเราไม่เหมืมีแต่ความจริงดูกันนี่ควรจะล่างไว่ได้ก็เหมือนกับเรารักษายาได้รักษาโรคด้วยว ย, า, ว ย, วยว า, านี่ยมันควรจะท่านทางกันได้แค่ไหนเนะ ยาเหมาะกับโรคมันก็สนงบลนไปถ้าโรคมันดูแลงนายกว่ายามันก็ผ่านไปเลยไม่สั่งยาอันนี้ทําอรสตอนเราพูดถึวายาเป็นธรรมโอรสมันก็อย่างนั้นเหมือนกันรู้สึกนี่นอยู่ไดปแบบเมื่อยขมืถึงมือขบแยงมีอกระแททบขังว่างไนเห็นจะมีเรานี่เห็นมืออะไรเพิ่มเข้ามากว่านี้ แล้ไม่มีอะไรลดลงก็มีแต่ความกินอยูตามหลัธรรมชาติไม่ว่าแบบอะไรล่างๆายเนื้นอมันคิดมันคิดนันก่นอนถ้าปล่อยไปเรื่อยมันจะสะดวกไม่ต้องยุ่งะที่เกี่ยวกับมืายนอกแล้วมันก็ทําให้ล้างหำอะไรเป็นเหมือนกับการห่างห้ามกัน แล้วก็ประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้องจา ก, กควรได้ยันมียังมีมมมมรเราคิดไปทือถึงผู้าการคือรองรับไปแต่และองค์ละองค์นอกจากทำผลประโยชน์เสียไปทำความกระตุกกระตุนติดใจไม่มน้อยถ้าไม่ถึงขั้นที่ควรจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ควรจะให้เป็น มีไหนเนี่ยไอ้ทาตามหลักธรรมชาติแล้วดูว่าอะไรวามันดูสูงยังไงรุมเร้่ซึ่งไปตามธรรมชาติมันมหมดความรับผิดชอบแตความรับผิดชอบนี้จะเป็นอันหนึ่งเป็นขมุติทับกันอ่นั่นแหะ่าเกณฑ์หมายทังหมดมันทับแบบทั่วไป เป็นคำพู ด, พดมอนก็นพู้ยากครับหรือไม่ครับผมครับไปชอบสมมติรู้อยู่งู้นนั่งช้อนผัดนี้ช้อนผัดจิตเป็นธรรมชาติที่รู้มันไม่รู้ได้ไงจิตไม่อยู่มัรู้มัน